ทีนี้บอกว่าย้อนกลับไปที่สูตรพงษตรัสว่าเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้นะครับคำว่าละเนี่บาลีว่าปะชาหทะนะครับที่บอกว่าเธอละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไงดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เรา เป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นผ้อนาคามีท่านก็เลยอยากมาที่บายให้รู้ให้เรารู้ไอ้คำว่าละละเนี่ยละแค่ไหนเราเคยได้ยินคาว่าละเนี่ยโอ้ยก็ละซะกสีบาปอะ่ะไอละนี่มันละยังไงเอาอะไรไม่เป็นเครื่องละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะที่บายให้เห็นชัดเจนก่อนที่ไหนเจอคำว่าละประชหาทะหรือว่าประหานะเป็นต้นเนี่ยนะก็ก็ให้ดูว่าหมายถึงการละห้าประการนี่นะครับ การละหประการนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือต่ทางค้าประหารนะครับต่ทางค้าประหารเนี่ยอย่างหนึ่งวิคขมพนะประหารเนี่ยอย่างหนึ่งสมุเฉทประหารเนี่ยอย่างหนึ่งปฏิปัสสติประหารเนี่ยอย่างหนึ่งนิสรณะประหารเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือประหานะทั้งห้าประการนั่นเองนะครับนะย่อๆก็คือตทางค้าประหารวิคขมพนะประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสติประหารนิสรณประหาร ตรงนี้ควรจํานะครับทั้งห้าคำเนี่ยควรทรงเอาไว้นะครับไม่จําก็ได้นะครับก็ให้เวลาพูดเมื่อไหร่ก็ให้นึกออกกัแล้วกันทีนี้ข้างก็อาจะที่บายตามลําดับว่าที่บายประหารทั้ง5้าตามลําดับในประหาร5อย่างเหล่านั้นเนี่ยนะครับการละความโลภเป็นต้นด้วยความไม่โลภเป็นต้นอันนี้มุ่งจะขยายข้อที่1แตท่ทางข้าปรหาร ละด้วยองค์นั้นๆหรือว่าละด้วยธรรมะที่เป็นปฏิปัติต่อเรื่องนั้นๆ น, น, นะครับคือคื อ, อเหมือนกับที่ท่านบอกว่ากำจัดความมืดด้วยแสงประทีปนั่นเองนะครับซึ่งอธิบายว่าการละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้นๆั้นด้วยวิปัสนาญาณมีการกำหนดนามรูปเป็นต้นเพราะเป็นปฏิปัติกันเหมือนการกำจัดความมืดด้วยแสงประทีปฉะนั้นนะท่านก็ยกตัวอย่างเช่นนะเช่นวิธีของ ลักษณะของตตดทางค่าประหารละมนทินมีโลภเป็นต้นด้วยการบริจาคเนี่ยนะผู้ที่ให้ทานเพื่อละมนทินคือตนีหรือโลภเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการละเหมือนกันแต่ละแบบตะทางค่าประหารนะครับหรือว่าการละทุศีนมีปานาติบาตเป็นต้นด้วยศีนอันนี้ก็ชื่อว่าละเหมือนกันนะครับ นะประหารนะละจากการทุศีลละจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้ก็ชื่อว่าตะทางฆ่าประหาร น, นะครับหรือการละความไม่มีศรัทธาเป็นต้นด้วยศรัทธาเป็นต้นนั่นเองนะครับละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาด้วยศรัทธาใช่ไหมครับถ้าละความเกียดตคร้านก็ด้วยความความเพียร <omen Islands> นะครับถ้าละความหลงลืมเนี่ยนะครับความหลงลืมก็ละด้วยสติใช่ไหมครับละ ความฟุ้งซ่านก็ด้วยสมาธิถ้าละ น, นะละมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานั่นเองนะครับละอวิชชาเป็นต้นด้วยปัญญาก็จะยกตัวอย่างว่าการละส ก, กายาทิฐิด้วยการกําหนดน า, นะนามรูปนะครับนามรูปนะครับเป็นศัพท์ย่อๆนะครับเป็นศัพท์ย่อๆเพื่อเป็นคําเรียกขันห้าแบบย่อนะครับ เรียกอายตนา12แบบยอๆๆ่ยบบยอๆเรียกธา ต, ตุแบบย่อๆเรียกทุกขสัตสมุทัยสัตแบบย่อๆนะครับรวมมาเลยเรือเรือคำว่านามรูปหรือเรียกปฏิจจสมุปบาทแบบย่อ ๆ, ๆเรียกอินทรีย์แบบย่อๆเนี่ยนะครับเรียกว่านามรูปนี้ย่อจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าธรรมะนะแต่ชาเราจะใช้โอ้แค่นามรูปก็พอแล้วโอ้สบายมากนะครับถ้าไตวปิฎกนี่เข้ากรุกหมดเลยนะครับเหลือไม่กี่ศัพท์นะถ้าเหลือแค่นามรูปนะครับ แต่อย่าลืมว่านามรูปเนี่ยพระผู้มีพระภาคไปขยายเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นสัตว์จะเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมาแยกเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะเป็นต้นเนี่ยนะครับก็นามรูปทั้งนั้นนะครับแต่ว่าย่อๆแล้วก็มาเหลือแค่นามกับรูปนั่นแหละแต่เนื่องจากสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้นะโดยย่อๆเรียกว่านามรูปโดยพิสดารว่าขันธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ย เมื่อไม่รู้จริงเนื่องจากไม่ได้กําหนดคือไม่ได้ทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับก็ส ก, กายะทิ่ถีก็ไปสําคัญว่าอัตตนี่เป็นรูปหรืออัตตนี่เป็นเป็นนามนะครับทีนี้ถ้าเมื่อมีความรู้เรื่องนามรูปแล้วก็จะละสกกายะทิ่ถี่ับที่ว่าเป็นอัตตาในานามรูปนั่นเองนะครับคือโดยมากเนี่ยสัตว์ทั้งหลา ย, ยจะกคบอกว่ารูปเป็นอัตตาใช่ไหมครับรูปเป็นอัตตาหรือไม่ก็อัตตามีในรูปนะ อัตตาอยู่ในรูปหรือว่ารูปอยู่ในอัตตาบางคนก็บอกว่าเวทนาเนี่ยเป็นอัตตานะสัญญาเป็นอัตตาสังขารเป็นอัตตาหรือว่าวิญญาณเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีอัตตานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิดแบบนี้ฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงให้กําหนดเนี่ยนะทำปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญาในในนามรูปเหล่านั้นก็จะละไอความสําคัญว่าเป็นอัตตาเสียได้ เนี่นะครับคือค้าว่าชําแหละดูแล้วอ่ะนะอย่างยกตัวอย่างนะรัตที่สมัยก่อนเขาบอกว่ามันมีสัตว์อยู่ในร่างกายอันนี้นะเขาบอกมีสัตว์ชนิดหนึ่งพระเจ้าปายาสิเลยก็เลยชําแหละดูซิมันอยู่ตรงไห น, นนะออกมาผ่ามาชําแหละหาเจอ ท, ที่ไหนนะครับดูซิว่าถ้าวีมีวิญญาณอยู่ในตัวจริงๆดูซิว่าวิญญาณมันจะออกตรงไห น, นแต่ก็มีรัตที่สมัยใหม่ก็บอกมันออกทางหน้าผากว่าเป็นนั่นเอกนะครับอน น, น มันจำแหลดูแล้วเนี่ยจะไม่เจออัตตาอะไรอย่างที่ว่ารอกแต่ที่นี้เนื่องจากไม่ได้ทําปริญญาไม่ได้กําหนดรู้ไม่ได้มาวิเคราะห์วิจัยเนี่ยก็เลยสําคัญว่าเป็นอัตตานั่นเองแต่ถ้ามีการวิเคราะห์ในทวารต่างๆแล้วจํารู้ว่าโอ้ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเล ย, เ น, ยนะครับอย่างเช่นบางคนนี่เข้าใจว่าตาหรือสีเป็นอาัตตาก็มีบางคนเข้าใจว่าจิตเห็นเนี่ยเป็นอาัตตาก็มีบางคนก็เข้าใจว่าความรู้สึกในขณะเห็นเป็นอาัตตาก็มี บางคนก็เข้าใจให้ว่าเจตนานี่แหละเป็นอัตตาบางคนก็เข้าใจว่าสัญญานี่แหละเป็นอัตตาแต่ถ้ามีการกําหนดเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นจะสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอัตตาได้อย่างไรนะครับเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดพร้อมกับปัจจัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นละสากายทิติถามว่าเห็นอนัตตาแล้วหรือยังยังไม่ได้เห็นอนัตตาลักษณะเลยนะครับแต่ถ้าใช้คําว่าอนาัตตาก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ อนัตตาคืออะไรคือขันห้าตัวขันห้าคือตัวอนัตตานะครับตัวรูปเป็นอนัตตานะครับพ่อรูปมาเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นอนัตตาลักษณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ยนะครับชื่อว่ายังไม่ได้ไประจักอนัตตาลักษณะอะไรเลยการพิจารณานามรูปเนี่ยนะครับพอมีแต่สภาวะเป็นอารมณ์เท่านั้นเอง ยังไม่ได้ไปวิจัยว่านี้ไม่เที่ยงเพราะเหตุอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะอย่างนี้เป็นอนาตตาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้เห็นเลยเพียงแต่ว่าละความสําคัญผิดที่คิดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งะนะเท่านั้นเองอะนะครับเป็นลักษณะของยาตาปริญญาหรื อ, อถ้าพูดเหมือนกับผู้ที่เข้าใจเรื่องระบบเครื่องยนต์กลไกนะสมัยก่อนเนี่ยมีรถทำถนน ผ่านหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีรถแมคโครเนี่ยมันขุดดินจกดินเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเน่ยนะบางทีพวกย่ายายทั้งหลายแหลแม่อุ้ยพ่ออุ้ยใกล้ๆบ้านน่ยบอกสงสารร้องให้ว่าโอ้ยใช้งานรถเกินไปนึกว่ามันเหมือ น, น, น, นคล้ายวัวคล้ายควายนะแต่ถ้าหากว่าไปถอดอะไรดูแล้วจะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยแ ต, แต่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่เข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยไปเข้าใจว่าโอ้มีสัตว์อยู่ในนั้นสงสารก็หยุดพักผ่อนก็มั่งเถอะ ที่จริงแล้วไม่มีอะไรอยู่ในนั้นหรอกเพราะเป็นเครื่องประกอบด้วยเครื่องยนต์กลไกเหมือนกันอันนี้สรีระยนอันนี้ก็เหมือนกันท่นสัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิดแบบนี้นะ เ, นพเพราะฉะนั้นการพิจารณานามรูปแบบนี้ก็ละความสําคัญผิดว่าเป็นสัตว์เท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้เห็นอนัตตลักษณะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเข้ากระถดอะไรมาดูนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่า การละทิฐิอันเป็นอเหตุุกะและวิสมเหตุด้วยการกําหนดปัจจัยทีนี้ว่าไอนามรูปเหล่านี้เมื่อหาความเป็นสัตว์ไม่มีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ก็มีบางคนยังไปแอบคิดว่าไอนี้มันเกิดลอยๆนะรูปเกิดลอยๆเวทนาเกิดลอยๆสัญญาเกิดลอยๆหรือพูดแบบํานวนหนึ่งเกิดจากพ่อจากแม่ใช่ใช่นี่แหละไม่ได้มีสัตว์มาจากโลกไหนโลกไหนอะไรหรอกเพราะฉะนั้นค่าคิดแค่นั้นเนี่ยลักษณะของ อาเหตุกะทิฐินะครับผู้ที่เรียนรู้แค่จากปฏิสนธิมาแค่เนี้ยชีวิตโดยมากก็จะเป็นลักษณะของอุเฉททิฐิ<ม>ก็จะสําคัญว่าตายแล้วก็ศูนย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะต้องกําหนดปัจจัยของนามรูปเหล่านี้นะครับก็จกละไออาเหตุกะทิฐิอันนี้ได้เพราะที่จริงแล้วนามรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะอาวิชามีนามรูปเหล่านี้จึงมีเพราะตันหามีนามรูปเหล่านี้จึงมีนะครับเพราะอาวิชตาตันหานก็เป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละครับ แต่ในเนื่องจากไม่รู้ปัจจัยนี่แหละครับก็เลยในกว่ามันเกิดลอยๆมันจะเกิดมันก็เกิดมันเองว่งั้นอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็วิสมเหตุเออบางคนก็ยังเข้าใจเหตุผิดพลาดอีกนะครับเขาบอกว่ า, วาเออมันไม่ได้เกิดลอยๆหรอกแต่มีผู้สร้างนะพระอิศวรเนี่ยสร้างขึ้นพระพรหมเนรมิตขึ้นแล้วแต่พรหมจะลิขิตมันด้นอะไรก็ว่าไปพระเจ้าสร้างบ้างพระนนท์พระนี่สร้างบ้างนะครับไ อ, ไอร้รูปนามะเ น, น่นะ แต่มันไม่ได้กเกิดจากสิ่งเหล่านั้นหรอกแต่ถ้ารู้ปัจจัยของรูปปัจขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาปัจขันธ์เป็นต้นหรือเรียกว่ารู้จักปัจจัยของนามรูปดีแล้วก็จะละละทัทธิเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเขามียมมามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าฝรั่งคนหนึ่งมาเจริญวิปัสสนานะครับพอมาเจริญวิปัสสนามากๆเข้ารู้สึกศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นว่าไปนั่นนะครับมันแสดงว่าอา้าว วิปัสนาข้อไหนนะครับข้ออะไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ท่านบอกว่ามาเจริญวิปัสนาแล้วก็ศรัทธาพระเจ้ามากขึ้นนะครับแต่ผมมุ่งไปที่ว่าผมเข้าใจว่าผู้สอนวิปัสนาเนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะไอวิปัสนาที่เขาสอนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าวิปัสนาเนี่ยมันละทิฐิเหล่านี้อยู่แล้วอ่ะแต่คนกลับมีทิฏฐิอันนี้มากขึ้นก็แสดงว่าวิปัสนาอันนั้นเนี่ยนะครับควรคิดให้ดีนะครับว่า เกิดจากอะไรกันแน่เพราะอะไรนะครับนนคือขอ้อการนะคือคนที่ศาสนาที่นับถือพระเจ้าเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิปัสสนาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าเขาสร้างขึ้นก็ได้แนะนํามาครับแล้ว ก, ก็คือพระเจ้าเขาแนะนําคนที่คนที่ได้รับถ่ายทอดมาเนี่ยให้รับรู้แต่ว่าเขาเองต่างหากที่ไม่รู้คําทีพ่พระเจ้าสร้างไว้ เมื่อเข้ามาได้ศึกษาลักษณะเนี้ยเขาก็จึงได้รับอ่าได้รับคําสอนได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าของเขาผมไม่นึกตำหนิคนรับหรอกครับผมนึกตำหนิคนสอนวิปัสสนาอนั้นนะครับว่าสอนวิปัสสนาไปยังไงกับกับมิจฉาทิฏฐิหนักขึ้นกว่าเดิมเป็นต้นเนี่ยนะว่าไปเข้าใจโหผิดเพี้ยนมากกว่าเรื่องนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับแนวคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับมันตรงกันข้ามเลยนะครับ ที่นี้ว่าอสอนอยังไงอะไรยังไงแต่ว่ากรรมของสัตว์จริงๆนะครับนะเราก็มาด้วยกรรมของเราเหมือนกันเนาะนะ เ, นเพราะฉะนั้นการละทิฐิที่ไม่มีเหตุเนี่ยนะสรุปแล้วก็คืออ่อหตุกะทิฐิหมายว่าทิฏฐิที่เกิดขึ้นลอยๆเนี่ยนะครับเหมือนรัฐที่สมัยใหม่เนี่ยนะหรือว่าวิสมเ ห, เหตุเหตุที่พูดถึงว่ามีผู้บันโดนบันดาล รูปนามเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ารู้จักปัจจัยของสิ่งเหล่านี้มีวิชาตันหากรรมเป็นต้นก็จักละได้นะครับตามแนวปฏิจจสมุปาทหรือการละความสงสัยความสงสัย16อย่างนะครับมีสงสัยในอดีตห้า อ, อนาคต5ปัจจุบัน6เป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้ไอความสงสัยอันนี้เนี่ยนะต้องละได้ด้วยการข้ามพ้นความสงสัยในส่วนอื่นๆนั้นเสียนะครับ ตอนนี้ก็ต้องละด้วยการขาวิตรณะวิสุทธิ์ที่นะครับจึงจะละอันนี้ได้ด้วยการข้ามพ้นความสงสัยนั่นเองนะครับกาปัจจัยต้องแม่นยำนะครับจึงจะละสิ่งเหล่านี้ได้การละความถือมั่นว่าเราว่าของเราด้วยการพิจารณาเห็นกลาปะคือเห็นเป็นกลุ่มเป็นกองนะครับ ไอ้กลาปะในที่นี้นะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของสัมมสนญาณ น, นะครับไม่ใช่กลาปะไอ้ว่ารูปกลาบเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่แบบรูปกลาบว่าในฝุ่นหนึ่งฝุ่นเนี่ยประกอบด้วยวินิโพคขารูปแปดไม่ใช่ตรงนี้นะครับคําว่ากลาปะอันนี้หมายถึงสัมมสนกลาปะนะครับการพิจารณารูปนามตามสัมมสนญาณเพราะฉะนั้นเรื่องพิจารณาโดยกลาปะอย่างที่ว่าดูสัมมสัญญาณในวิสุทธิมรรคนะครับ ดูในวิสุทธิมรรการพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะนักกลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะนี่คือลักษณะของไอพิรเวหเห็นกลาปะนะครับเห็นความเป็นอ่าเป็นกองเนี่ยนะครับเป็นกองว่ากองที่เป็นอดีตกองที่เป็นอนาคตกองที่เป็นปัจจุบันกองที่เป็นภายในเป็นภายนอกไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะนักกลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะ แต่เขาวิจัยเอาเป็นการเป็นงานใคร่ครวนโดยรอบครอบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะละความถือมั่นว่าเราว่าของเราเสียได้นะครับส่วนการละความเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นมักรว่าเป็นมักรด้วยการกำหนดมักรและอมักรนะครับรู้ว่าวิปัสสนูปกรณ์ทั้งสิบนี้เป็นอมักรคือไม่ใช่หนทางนะครับ คือเมื่อผู้ที่ปฏิบัติระดับให้วิปัสสโนปกิเลสเกิดเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าโอ้วิปัสสโนปกิเลสเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่มรรคนะและก็รู้ว่าวิปัสนาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเป็นตัวมรรคนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ามรคารมคะยาณทัศนวิสุทธินะครับเขาแยกแยะได้รู้ว่าอะไรเป็นทางและไม่ใช่ทางและอุเฉททิฐิด้วยการเห็นความเกิดเห็นความเกิดในที่นี้ก็คือเห็น สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเกิดครับสภาวะธรรมเหล่านั้นจึงเกิดยกตัวอย่างรูปปัจขันเกิดเพราะอะไรเกิดครับเพราะอวิชาเกิดนะรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพัติลักษณะของรูปอนนการเห็นปัจจัยหรือเห็นเหตุเกิดในลักษณะนี้ก็จะละอุดเฉททิฏฐิได้นะครับก็เนื่องจากไม่รู้ปัจจัยนั่นเองจึงเป็นอุดเฉททิฏฐินะครับ ทีนี้ผู้ที่จะละสัตตตถิถีได้ก็ต้องด้วยเห็นความเสื่อมนะครับเห็นความเสื่อมนี่เห็นยังไงครับเห็นว่าเพราะอาวิชาดับด้วยรหั ต, ตมักเป็นต้นเนี่ยนะครับรูปจึงดับเพราะตันหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูปจึงดับแล้วก็วิปริณามลักคณะของรูปนะถ้าเห็นความเสื่อมในลักษณะนี้จึงจะละสัตถถตตถิถีได้นะครับ เันผู้ที่ต้องการรายละเอียดภาพพิสดารก็ดูได้ในอุทยพย า, ยานนิเทศปฏิสัมพิธามมักนะครับในปฏิสัมพิธามมากหรือว่าไปดูในวิสุทธิมักนะครับอุทยพย า, ยานก็ได้นะครับการละความสําคัญในสิ่งที่เป็นภัยว่าไม่เป็นภยัยด้วยการเห็นภยัยที่จริงคันห้า น, นี้มีภัยไหมครับเป็นภัยไหมน่ากลัวไหมครับ นะเป็นแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นภัยเลยนะครับโอ้ดีจริงๆเลยอย่างนั้นนะยิ้มแป่เลยนะก็ด้วยการเห็นภัยซะเนื่องจากเขาไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นหัวฟีเนี่ยพวกนี้แหละตัวภัยละละความสําคัญในสิ่งที่ชอบใจด้วยการเห็นโทษเหมือนกันเถอะอาทีนวายานนั่นเองนะอาทีนวายานก็จะเห็นโทษในในขันห้านั่นเองนะครับ และความสําคัญในสิ่งที่น่าอภิรม์ด้วยการพิจารณาถึงความเบื่อหน่ายก็คือนิพพานุปัสสนานะครับก็จะเห็นว่าเออขันห้าเป็นต้นเนี่ยเป็นของที่น่าไม่น่าอภิรม์อะไรเลยแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันไปอภิรม์ชื่นชมอยู่ในขันห้าใช่ไหมแต่ถ้ามีนิพพานุปัสสนาก็จะเบื่อหน่ายในขันห้าที่มองเห็นว่าให้เป็นโทษเป็นภยัยเป็นดังหัวฝีอะไรเงี้ยนะครับก็คือ พยายามมองเห็นมาเป็นภผ่ในทีนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพยายามโน่นเหรอครับหรือว่าการทําอย่างนี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นไปก่อนเอาหนี้หมายถึงระดับพยายาม น, นะพยตูปฐานานายนั้นเองนะครับ<อ>ที่จริงแล้วไอ้พยตูปฐานานายนอาทีนวายานนิพิทายานมันชื่อเดียอชื่อต่างกันโดยชื่อเท่านั้นเองนะแต่อัตมาเหมือนกันอ๋อแต่เวลาจเจริญจริงต้องหลังจากคือคือที่เห็นอย่างนี้จริงจริงนะับ ไอเริ่มเจริญนี่มันเจริญได้แหละแต่ถ้าถ้ามีความรู้สึกเห็นแบบนี้จริงๆก็ต้องหลังหลังพังขยานไปแล้วนะครับหลังพังขยานไปแล้วนะครับก็คือระดับพยตยพยามตัวนี้ก็คือพยายามฐานัญนนะครับเห็นโทษก็คืออาทินวายานแล้วก็นิพพิธายานนะครับถ้ า, ถ, าถ้าเราเห็นเลึกกําหนดในลักษณะเงี้ยว่าเป็นดังหัวฝีเป็นโรคเป็นสิ่งน่ากลัวอะไรพวกนี้นะครับรเจะจ ะ, จะถือว่าเป็น ทันิกะเกิดทางแต่ทางเข้าประหารได้ไหมครับประเภทตีรณาปริญญานะครับอืแต่ตีรณาปริญญาเหล่านี้จะ ก, ก้าวหน้าหรือไม่เนื่องด้วยว่าฐานล่างๆแน่นขนาดไหนนะครับวายาตะปริญญานี่แน่นขนาดไหนแต่การที่หมันมาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นตนน้นเนี่เป็นลักษณะของตีรณาปริญญานะครับการเข้าไปไข้ครวนนะครับ อันนี้เป็นการเข้าไปคข้ครวนหรืออาจจะใช้คำ ว, ว่าสัมมาสนะก็ได้การพิจารณาการใข่ครวนนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอให้มันเกิด น, นะครับเข้าไปคข้ครวนเองนะครับเพราะว่าวิธีการคข้ครวนนั้นพบหลายแห่งมากท่านให้พิจารณาว่ายกตัวอย่างเช่นเข้าไปคข้ครวนว่าไอ้ขันห้5ที่เป็นอดีตมันก็หมดไปแล้วในอดีตชาติอะอดีตในที่นี้เนี่ยเริ่มต้นในอดีตชาติก่อนเลย โอ้เช oh, e, ่นว่าขันห้าในอดีตชาตินี the ่ม kind of ันก็ดับหมดแล้วในอดีตชาติเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเพราะอาถาวรมันหมดแล้วว่ะเป็นทุกข์เพราะหนากลัวไอ้ของินชาติที่แล้วเป็นอนัตตาน่ะมันมันไม่มีสาระอะไรเลยในชาตินั้นนะะแล้วของถ้าจะมีในชาติหน้าอีกนะไอ้ของขันห้าที่อยู่ในชาติหน้ามันก็อยู่แค่ชาติหน้านั่นแหละมันไม่เลยชาติหน้าไปอีกรอบเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเพราะมันสิ้นไปในชาตินั้นแหละมันเป็นทุกข์เพราะมันหนากลัวเี่ยนะเป็นอนัตตาเพราะในชาตินั้นไม่มีสาระอะไรเลย ทีนี้รูปนามในขันห้าในชาตินี้หรือขันห้าในชาตินี้นะมันก็จะดับอยู่ในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเพราะมันสิน้นไปมันเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวเป็นอนัตตาเนี่ยมันหาสาระไม่ได้เลยคือสาระคือความเที่ยงก็หาไม่ได้ความสุขก็หาไม่ได้ความงามก็หาไม่ได้อัตตาก็หาไม่ได้อะไรซักอย่างเนี่ยนะครับ มันก็พิจารณาอย่างนี้ก็เริ่มพิจารณา ล, าละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าเรื่อยๆจนถึงแม้กระทั่งของแต่ละทาวารเนี่ยในทาวารตาก็าไม่เที่ยงเพราะไม่ถึงทาวารหูที่ไม่เที่ยงบางว่าสิ้นไปเนี่ยนะเป็นทุกข์ปวดหน้ากลัวเขาพิจารณาไข้ควรหมดนะครับก็ น, นี่อาจารย์บางอาจารย์ที่มาสอนเน้ว่าให้ให้พิจารณาเห็นการเกิดดับในขณะจิตอย่างนี้มันก็ไม่ตามลําดับไม่ตลอดสายด้วยเป่าก็อ่า อันนั้นเป็นความเข้าใจของท่านเองนะครับเป็นความเข้าใจของบุคคลก็เอาเป็นข้อปฏิบัติในแนวนั้นๆไปนะครับแต่ว่าข้อปฏิบัติตามลำดับคัมภีร์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาจะไม่พิจรารณาอย่างนั้นเขาจะมีเบื้องต้นว่า น, นะถ้าพูดสรุปสรุ ป, รปเบื้องต้นเลยนะก็คือว่าเห็นอะไรสักอย่างสงเคราะห์ลงสิกขาสามก่อนนะครับ เบื้องต้นนะเอาแบบหยาบๆก็เห็นอะไรก็สงเคราะห์ลงศีลให้ได้ซะก่อนเนื้อะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญานะครับปัญญาก็สงเคราะห์ให้รู้อะไรเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเนี่ยนะอายตตะปริญญาอันนี้ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็แต่ละอย่างเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับมาเพียนเพ่งแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเนี่ยนะครับให้มากๆก่อนแล้วก็ค่อยมาสายใจถึงเหตุเกิดและความดับบาลีใช้คําว่าสมุทยังคะนะครับ ไม่ได้ใช้คําว่าอุปาทะใช่ใชนะ่ไหมใช้คําว่าสมุทะยังคะนะครับเหตุเกิดนะครับแล้วก็อัดถังขมะคือความดับซึ่งจะมีข้างหน้าต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเขบอกว่าละความที่ไม่อยากจะหลุดพ้นด้วยยานคือความอยากพ้นนะครับมุนจติตุกรรมมยตานะครับจิตที่มันอยากจะแช่อยู่ในสังสารวัฏนี่มันอยากไปไหนแลว้วอยู่นี่แหละดีแลว้วงั้นเหรนะไปตามกระแสน้ําแล้วมุ่นดีขนาดงั้น ไม่รู้ว่าเออนั่นแหละมันตัวภัยตัวตัวเสียหายนะก็ต้องการจะหยับพ้นใช่ไหมครับอยากจะขึ้นฝั่งแล้วบางอันเพราะฉะนั้นก็ด้วยมุนจิตุกรร ม, มยตายานละความไม่วางเฉยด้วยอุเบกขาญาณ น, นะครับคือสังขารุเปกขาญาณนนะ่ะนะอ่ามันไม่วางเฉยก็ต้องวางเฉยด้วยสังขารุเปกขาญาณละธรรมทิติด้วยอนุโลมถามว่าอนุโลมต่ออะไรครับอนุโลมต่อ ต่อวิปัสนาญาณก่อนๆ น, นู่นนะครับอนุโลมตามโพธิปักขียธรรมเรียกว่าอนุโลมายานนะครับแล้วก็ละความปฏิโลมด้วยนิพานคือละแบบทั่วๆไปเนี่ยนะละวิปัสนาเป็นต้นทั่วๆไปก็คือแทนที่จะมีสังขารเป็นอารมณ์ก็มีนิพานเป็นอารมณ์ม น, น, น, มนะครับนิพานเนี่ยนะละแม้กระทั่งนิพานเนี่ยไม่ทวนไม่หยุดไม่อยู่เขาเขาเขาบอกว่าพูดที่ถึงนิพานเนี่ยแปลว่าไม่ไปแล้ว ไม่ไปตามน้ำแล้วก็ไม่ได้ทวนน้ำเพราะอะไรเพราะเป็ดถึงฝั่งนะนิพานนี่เป็นฝัง่งก็ไม่ต้องทวนอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ละความเป็นสังขารนิมิต ด, ด้วยโครตรภูโครตรภูเนี่ยนะครับไม่มีขันนิมิตเป็นต้นเลยนะครับมีแต่นิพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวนี้ชื่อว่าตะทางฆ่าประหารตรงนี้เขาแปลว่าละชั่วคราวนะครับแต่ที่จริงก็คือละด้วยคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วนับตั้งแต่ ทานเป็นต้นนั่นเองนะครับนี่ทั้งหมดนี้ต่ทางค้าประหารทั้งหมดนะครับตั้งแต่ทานศีลแล้วก็วิปัสสนาทุกระดับชั้นเวนอริยมรสเสียที่เหลือเป็นต่ทางค้าประหารหมดนะครับครับโคตรภูก็เรียกต่ทางค้าเหมือนกันอันนั้นเราทีนี้ต่อไปนะครับการละ ธรรมะมีนิวรณ์เป็นต้นเหล่านั้นนนั้ด้วยอุปจาระและอั ป, ปนาสมาธิเหมือนการกําจัดสาหร่ายที่หลังน้ําด้วยการทุ่มหม้อน้ําลงไปการห้ามความเป็นไปนะการละอันนี้ชื่อว่าวิขำพระน้ประหารการละด้วยการข่มไว้นะครับข่มไว้ในที่นี้ก็ดูเหมือนกับแปลว่าแหวกนั่นเองนะครับก็คือคือหม้อที่วางลงในน้ำเนี่ยขนาดที่ที่หม้อมันยังอยู่เนี่ยมันก็จะแหวกออกไปใช่ไหมพวกสาหร่ายพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้ายกมันก็รวมตัวอีก คนที่ได้ฌานทั้งหลายเนี่ยขณะที่เป็นฌานเนี่ยนะครับขณะที่เข้าสมาธิเนี่ยนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมแต่ถ้าออกจากฌานน่ะก็นิวรณ์ก็เข้าอีกมันก็เหมือนกับไอ้กิเลสเหมือนกระจาเหมือนกันแหนทั้งหลายแหละที่มันอยู่บนหลังน้ำะนะถ้าวางหม้อลงไปในน้ามันก็แหวกออกน ะ, ะเมื่อมันแหวกออกถ้ายกหม้อขึ้นมันก็รวมตัวกันอีก กิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับในขณะที่เจริญสมาธิทั้งหลายอุปจารสมาธิอัปนานสมาธิในขณะนั้นก็เหมือนกับหม้อที่วางลงไปอนะขณะนั้นกิเลสไม่เกิดนะกิเลสเนะี่ยขมไปแต่ถ้ายกหม้อขึ้น่นะกิเลสก็เอาใหม่ น, น, นะครับลักษณะนั้นเรียกว่าวิกขมพหนะประหารนะครับไม่ใช่เหมือนหินทับหญ้านะครับไม่ใช่เหมือนหินทับหญ้านะว่ายาก็มีอยู่หญาก็มีอยู่แล้วก็หินก็มีอยู่แล้วมากดไว้อันนี้ไม่ใช่นะครับ เพราะว่าตามหลักธรรมะแล้วขณะที่กุศลเกิดอกุศลต้องไม่มีในขณะนั้นเ<น>พียงแต่ว่าขณะที่อุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิเกิดเนี่ยนะปัจัใจให้เป็นอกุศลไม่มีเนี่ยนะก็ก็จากบาลีอาจจะจากคาวิคัมพนะทีแ่แปลว่าขมมั้งก็เลยคิดมามันจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าขมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีใครถูกกดอยู่สักคนหนึ่ง แต่ว่าในขณะที่กุศ ล, ลจิตเกิดอกุศลไม่มีอยู่เลยนะครับในขณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปถูกกดเพียงแต่ว่าตัดปัดจจัยของอกุศลนั้น น, นออกไปชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะนั้นกุศลธรรมก็เหมือนกับสมาธิแต่ถ้ า, าไม่เจริญสมาธิเอาใหม่ได้นะกุศลทั้งหลายก็จะครอบงําดําเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นจ ะ, จะสาดายทั้งหลายจะแวกออกมากได้ขนาดไหนก็สุดแท้แต่แต่อานุภาพของสมาธินั้นๆ น, น, นะครับ ต่อไปนะครับการตัดขาดกองกิเลสอันเป็นฝ่ายที่จะให้ตันหาเกิดนะครับที่ท่านกล่าวไว้โดยนายเป็นต้นว่าจะตุนังอริยมัคคานาังพาวิตาตาตาตังตังมัคคะวโตวอัตโนสันตาเนทิฐิขตานังปหานายะนะครับเพื่อละทิฐิในสันดานของตนผู้มีมัคนนั้นๆเพราะเจริญอริยมัคสี่ได้แล้ว นี้ชื่อว่าสมุทเฉท้าปะหานนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าระดับโสดาปฏิม ก, ก็ละกิเลสที่อยู่ในฝากฝ่ายของสมุทไทยนะกิเลสสายตัณหานี่ก็ละได้ระดับโสดาปฏิมระดับสกาธาคาหมิม ก, ก็จะละกิเลสแบบสกาธาคามีอนาคามีก็จะละกิเลสในสมุทไทยระดับสกาธาคามีหรืออนาคามี่งอรหันต์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอริยมรรคทั้ง4ี่นี่แหละชื่อว่าสมุทเฉท้าปะหานนะครับ ส่วนการละกิเลส ท, ทั้งหลายอันเป็นความสงบในขณะแห่งผลจิตนะครับในขณะอริยผลเนี่ยนะการละนี้ชื่อว่าปฏิปสัสสติปะหารการละด้วยความสงบกิเลสนะครับปฏิปสัสสติเนื่องจากระงับแล้วธรรมมรรคเนี่ยเป็นประโยคปฏิปสัสสติเนี่ระงับนะครับการดับที่ละเครื่องปรุงแต่งทั้งหมดได้เพราะสลัดเครื่องปรุงแต่งคือสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับชื่อว่านิสรณนาปะหารอันนี้องค์ธรรมได้แก่นิพพาน เพราะท่านประสงค์เอาการละที่ทําให้เป็นพระนาคามีนะครับไมายเอาสมุทเฉธาปหานในบรรดาปหานะทั้งห้าประการปหานะหประกอบด้วยอะไรบ้างครับคือหนึ่งแต่ทางข้าปหานวิคัมพระน้าปหานสมุทเฉธาปหานปฏิปสัธิปหานและก็นิสรณนาปหานนั้นเอาหนึ่งในห้าคือเอาสมุทเฉธาปหานมาอันเดียวนะครับนะครับด้วยประการชนีินี่คือบทคําว่าปชะหะทะที่แปลว่าละละนะ ที่พระ อ, องค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงละจงตัดขาดนี่นะหมายถึงละระดับสมุทเฉทปหานถามว่าระดับไหนอนนาคามีมกักเนะนะครับส่วนโวสัพนะครับโวสั์นั้นจะไม่อธิบายนะครับเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ใชยเฉยก็บทว่าปาติโพโคนะครับในหน้า69ว่าได้แก่ผู้รับรองจิงอยู่ผู้นั้นอาศัยผู้รับรองยืมทรัพย์ของผู้มีทรัพย์ ฝากไว้แก่ผู้รับรองเมื่อถึงคราวจะใช้ก็นําทรัพย์จากผู้รับรองนั้นน่ะมาใช้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฏิโพโคผู้รับรองนั่นแหลชื่อว่าปาติโพโคคล้ายๆกับนายประกันใช่ไหมครับอันนี้คือคือคล้ายๆกับว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ถ้ามีคนประกันก็จะมั่นใจใช่ไหมครับเหมือนกับกู้ก็ต้องเอากู้ธนาคารอะไรเี้ก็ต้องเอาหลักทรัพย์เป็นต้นไปประกันน่ะนะ อันนี้จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เหมือนกับว่าถ้าเธอทำงานเสร็จนี่นะฉันจ่ายแน่นอนอะ่ะอัน น, นี้ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเธอทำงานนี้เสร็จฉันจ่ายให้เธอแน่นอนอะไรแบบนี้นะแต่ผู้รับรองแบบนี้นั่นเองบทว่าอนาคามิตายะแปลว่าเพื่อความเป็นพระอนาคามีเชื่อว่าอนาคามีเพราะไม่มาสู่การมาพบด้วยการถือปฏิสนธิ หมายความว่าพระนนาคามีเนี่ยนะครับถ้าจุติจากการมาพบแล้วนะจะไม่กลับมาการมาพบโดยการปฏิสนธิแต่มาโดยรูปปกายอยู่นะครับ mm hmm. เช่นมาหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็นมาแต่ว่าไม่มาโดยการปฏิสนธิ ค, น ค, รครับ <c oughs> <c oughs> มรรคที่สพร้อมด้วยผลชื่อว่าอนาคามีนะครับอริยมรรคกับอริยผลเนี่ยนะชื่อว่าอนาคามีท่านเรียกว่าอนาคามีเพราะบรรลุธรรมนั้น คือหมายคําว่าถ้าละโลภะได้เนี่ยนะพระองค์เป็นผู้รับรองว่าเธอเนี่ยเป็นพระอนาคามีเหมืนนเถอะท่านก็ให้เหตุผลที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉลาดในการฝึกเวนยยสัจทรงสแสดงธรรมะอันยิ่งใหญ่คือ ต, ตาตยมักอันอนุกูลแก่อัธยาศัยของเวนยสัจทรงกระทำให้หนักแน่นด้วยความบริบูรณ์ในธรรมะอันหนึ่งโดยอุบายฉัพลัน จึงสมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการชนนี้ว่า ง, งั้นนะเรียกว่าเฉียบพลันฉับพลันขึ้นมาเลยนะว่าแสดงแบบนี้เนี่ยนะเหมาะกับอัธยาศัยของคนแบบนี้นะคล้ายกับว่าเรื่องกิเลสเนี่ยเขาฟังมาเยอะแยะไปหมดฟังแล้วมันฟังเข้าจะยากเหลือเกินนะะผมบอกว่าเธออย่างนี้นะละโลภอันเดียวว่า ง, งั้นเอถอะละกิเลสอันนี้อันเดียวนะเธอเป็นอนาคามีเลย นะคนที่ไม่อยากฟังเรื่องกิเลสเยอะๆนะพิสดารเอากิเลสไปอันเดียวก็แล้วกันนะเธอละอันนี้ให้ได้นะถ้าละได้ก็จะเป็นพระอนาคามีนะพวกที่แบบชอบสั้นๆนะนะพราะพระองค์แสดงธรรมะทั้งที่ยอ่อทั้งที่พิสดารใช่ไหมครับคนชอบยอ่อฟังแล้วยอ่อแล้วเขาปฏิบัติตามได้พระ อ, องค์ก็แสดงยอด่อผู้ที่ฟังแล้วพิสดารเป็นต้นจึงจะปฏิบัติได้พระ อ, องค์ก็แสดงแบบพิสดารแล้วแต่ว่าใคร นะถ้าอุคติตันยูก็ย่อๆถ้าวิปัญจิตันยูก็พิสดารเพิ่มขึ้นทันยยะบุคคลก็โอ้โหทั้งเรียนทั้งฟังทั้งท่อ ง, ท, งทั้งสาธยาเอาหมดนะครับบางคนก็ 3-40 ี่ปีนัแลแล่นแหละจึงได้ประสรูฐธรรมมันตรงนี้พระ อ, องค์ก็ทรงสามารถแสดงทำให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของสัตว์จริงอยู่กิเลสทั้งหลายอันตตยมักทำลายมีปฏิฆาสังโยชน์เป็นต้นแม้เป็นไปในภูมิอื่นก็ไม่พ้น การละกามฉันทะไปได้นะครับที่จริงสังโยชน์เนี่ยนะครับที่พระอนาคามีมักละเนี่ยคืออะไรบ้างครับปฏิฆาสังโยชน์ใช่ไหมหนึ่งกามราฆาสังโยชน์แต่ตรงนี้ท่านก็ยกกามฉันทะขึ้นมาแต่ทีนี้ว่าตัวเด่นเด่นก็คือกามฉันทะแต่ถ้าละกามฉันทะแล้วปฏิฆาจะไม่ละเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ท่านท่านยกเฉพาะกามฉันทะในฐานะเป็นเป็นประธานตัวเด่นนั่นเองนะครับ เชื่อไหมครับว่าคนที่มีโทสะก็เนื่องจากมีฉันทะนั่นแหละครับนะโทสะทั้งหลายมีเพราะกร ม, มาฉันทะก่อนเพราะว่าทุกโทมนัะหรืออุปาญาตเป็นต้นหรือภัยทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความรักนั่นเองนะครับเกิดจากฉันทราคะเป็นต้นนะั่นแหละถ้าหากว่าละฉันทราคะเสร็จแล้วเนี่ยนะทุกจากมีแต่ไหนไภัยจากมีแต่ไหนความโศกเป็นต้นจากมีแต่ไหนนะครับทละฉันทราคะได้เพราะฉะนั้นทละราคะได้นะเธอเป็นพระนาคามีเหมือนกัน ถามว่าก็เพราะเหตุไรในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งพระองค์ไว้ในความเป็นผู้รับรองเล่านะโอ้ทําไมจึงยอมเอาตัวเองเป็นผู้รับประกันเลยเหมือนกันเถอะรับประกันในความสําเร็จอันนั้นนะ่ะนะตอบว่าเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะในการบรรลุอนาคามิมั่งนะคือถ้าพระองค์แสดงอย่างนี้เนี่ยนะกระตุ้นวิริยินทรีย์นะครับพระองค์เนี่ยฉลาดที่จะส่งเสริมอินทรีย์ของสัตว์ใช่ไหมคือ พระธรรมบางสูตรเนี่ยนะครับฟังแล้วสัตว์ทินีจะมีกําลังนะครับพระสูตรนะนะสัตว์ฟังแล้วก็จะมีวิริยินีเหมือนสูตรเนี่ยฟังแล้วก็จะเจริญวิริยินีบางสูตรเช่นสติปัฏฐานสูตรก็จะส่งเสริมสติินรีนะครับสูตรที่พระองค์แสดงเรื่องฌานเป็นต้นก็ส่งเสริมสมาธินรีถ้าสูตรที่พูดถึงขันธาระยะตนาเป็นต้นก็แสดงว่าส่งเสริมปัญญินรีแต่นี้สูตรนี้ส่งเสริมวิริยินทรีนะครับ จึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเมื่อเรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีดังนี้ภิสูุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะสามารถละธรรมะอย่างหนึ่งนั้นแล้วบรรลุตัิยภูมิได้แน่นอนอนะนะทาฟังอย่างนั้นแล้วก็บรรลุแน่นอน ทั้งจะเกิดความอุตสาหะว่าพระธรรมสามีตรัสเป็นครั้งแรกว่าเราเป็นผู้รับรองดังนี้เพราะอย่างนั้นจากสำคัญถึงข้อที่ควรปฏิบัติดังนี้ฉะนั้นเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเกิดความอุตสาหะจึงทรงตั้งพระองค์ไว้ในความเป็นผู้รับรองภิกษุเหล่านั้นเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับ ค้าก็าาว่ามั่นใจว่า ง, งั้นเถอะโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเอาเพราะองค์มารับรองเลยแสดงว่าเรื่องนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับจะทําอะไรต้องให้คนประกันก่อนนะถ้าท่านรับรองนะผมยังจะทำอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะบอกว่าคนที่ที่ต้องการคนรับประกันเนี่ยนะครับคนประเภทนี้แหละพระองค์ก็เอาหลักธรรมไปหลักธรรมแบบนี้พระองค์เอาตัวเองรับรองเลย เดี๋ยวในอุทานเนี่ยนะพูดถึงพระนันทาเนี่ยพระองค์รับรองพระนันธานะถ้าหากว่าเธอบวชประพฤติพรหมจรรย์นนะเราจะประกันเองว่า ง, งั้นเถอะว่าเธอเนี่ยจะได้นะเทพเทวดาเหล่านี้นะแต่พระองค์ก็รู้แล้วว่าพระนันธาเนี่ยจะจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนนั่นแหละถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปพระองค์ก็ไม่ไปรับรองอะไรหรอก แต่เนื่องจากพระ อ, องค์เนี่ยฉลาดในการฝึกเวนัยศัสตร์พระ อ, องค์เนีฉลาดฝึกพระนันทะก็แสดงตามแนวอนุปุพีกถาก่อนเนี่ยให้เห็นคุณของสวรรค์ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วพอพูดสวรรค์ตอนหลังก็ ส, สอนเนคขมมะเพื่อพรากจากกามทั้งหลายนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ